เนี่ยสามพนี่ยังไง่ะมันแน่นแวันนีมาอีกสองอย่างเลยมันไปสีส่สิบกว่าเล ย, ยมือถือควรขยับขยาก็ขยับขยายลยมันแน่ น, น, นทาไงหาภาพที่อยู่ไม่ได้โยยยยอยะย ย, อ ย, อยอตอนนั้นไดออกความโง่มาจากไหน พระจะเน้นเต็มทั้งวัดนะถ้าเราสั่งสมด้วยความขี้เกียจขี้ข้านก็คือสั่งสมวิเยศนั่นเองมันจะมาสั่งสมทำสั่งสมทำกําจัดวิเลศมันกลับโกงข้างสั่งสมวิเยศกำจัดทาหากจะมีอยู่บ้างก็กําจัดถ้ายังไม่มีไม่เกิดก็ประปะของวิเยศเผาทําแหลกหมด เราว่าแต่ตปัตธรรมตาปั ต, ปตปยธรรมตาปตาปญิเลนก็มีเ ห, หนมากโลกทั้งโลกมันมีแต่ตาปญิเลนแผดเปล่าความอริวความปล่อมปลอมแสดงออกมาจากภายในแต่ละหลายละลายดูยากอะไรดูในหัวใจเจ้าของก็รู้มันลี้รับที่ไหนกับเจ้าของให้ลี้ลับเพราะจิตเป็นผู้ถูกมูนเองนอกจต่ไม่ดู ไม่ถึสิบสี่สิบกว่าดีกาปีกานี่ก็สามสิบ้าเวลาขึ้นมันดิบผึ้งๆนะพอปเปิดเปิดแยมประตูแล้วบ่งเล็กน้อยประตูพังีก่อ น, นมัน็ยี่เก้าปีการนี่ก็สามห้าไปีนี้ก็สี่สิบกว่าห้าดนะีกไเวลานีมันกินน้็อาใจ ด้วยความเคยผ่านมาดังนั้นกับเรื่องเหล่านี้นั้นเข็ดเข็ดไม่ลืมไปด้วยนะเข็ดด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยทำจะลืมไม่ได้ไงถ้าเข็ดด้วยหนะ้าไม่กิเลสมันก็ลืมแต่ส่วนมากมันมักจะลืมในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์มันไม่ลืมในสิ่งที่หาสารไม่ได้โลกลองจะหาความสงบโลยินก ไ, ได้พราะไม่หาเนี่ย หาแต่เรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายแข่งขันกันโ อ, อ้โหพั้นยอกอื่นถ้าเป็นเรื่องของที่เนียชอบปั้นชอบยอชอบส่งเสริมตัวเองแยบย่่ยางทำลายคนอือ่นชอบมองแต่เรื่องของคนอื่นไม่มองย้อนลูกศรกลับมาดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเอนบ้างเลยมันก็หาสาระคุมไม่ได้ในใจแต่และดวงอันดวงนี่เรียที่เรียกว่าอาธรรมอธรรม ก็ ค, คือคาดคือิลสนี่เองจปพวกจ อ, ปองปลอมมันมียมนาบนหัวใจมันหลอกได้เหมือนตุ๊กตาหลอกมนุษย์หลอกสัตว์เ่าไอ้นี่มันฉลานมากม้วนไปยังไงก็ไปตามม ด, ใ, ด, ดให้ยินดีก็ยินดีให้ยินร้ายก็ยินร้ายมันกล่อมไปได้ทั้งนั้นรักมันก็กล่อมให้รัก พอใจรักพอใจชังพอใจเกลียดพอใจโกรธพอหมดพอใจหมดไม่ใช่ไม่อขอไม่พอใจด้วยความฝืนมันพอใจนะใเวลาไปถึงตัวผลเป็นความทุกข์ทรมานแล้วไม่พอใจเลยมันก็ต้องจำต้องสะเวทเพราะพอใจในเหตุมาแล้วนี่ ยิงผมไม่อยู่นี่มันมีตัวิจานะแต่แม้แต่ผมอ ย, อยู่มันก็ยังเป็นต่อหน้าต่อตาพระในวัดนี่มันมีเยอะ่ทำให้อินหนาละายใจก็เคยผ่านมาแล้วพอดาวลูกแตกตานเกี่ยวกับหมู่กับคณะยนะิ่งเห็นมันไม่ชอบลงตัวเองนะไม่ชอบลงตัวเองไม่ลงใคร มันทชอบยอตัวอย่างถือตัวอย่างว่าเด่นตลอดทั้งๆถ้ายิ่งกว่าขี้มันก็ถือว่าเป็นพรองคาธรรมชาตินั่นแหละมันมันเสกสรรปัญญ อ, อย่างนั้นแล้วก็หลงมันอยู่ตลอดมาเพราะนั้นมันจึงไม่ให้มองตัวเองในสิ่งที่บกพร่องว่าอะไรบกพร่องมากในตัวของเรามันไม่ให้มองมันให้มองในความบกพร่องก็ดู้ืง ไม้เขาจะสมบูรณ์ในส่วนใดก็ตามนัม่นก็ปิดปเิียงไม่ไปสนใจกับคำว่าสมบูรณ์ในสิ่งที่เป็นสาาระนั่นเลยมันจะเปิดในสิ่งที่ไม่ดีให้เพื่อทางกำหนิดของมันแล้วเป็นผลของมันเกาะคุยออกมีแต่ความชั่วช้าละมุกนั้นมี่เราไม่ทันแต่เมื่อสติปัญญา มันรวดเร็วมันคล่องตัวนั่นทันแม้ทันก็รู้ในตัวมันก็ดเข้ามันอยู่ในที่เดียวกันเกลียดไปอยู่ในใจนั้นสติปัญญาก็เกิดขึ้นในใจนันมีอยู่ในใจด้วยกันโมกดิกมันก็รู้ทันทีทันทีแม้แต่แม่กระดิบมันยังรู้รู้เฉยๆมันก็รู้เนี่ยรู้ด้วยความเคลื่อนไหวไปตามโสงตางตามตางดีตามช่วงมันก็รู้ทันทีทันทีทันทีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่เออ อย่งเหมือนนขั้นมันงมงายขัน้นนั้นนักหูหลับตายิ่งยังไงมันก็หลับตื่นอยู่มันก็หลับดังที่มันเป็นหมือนทุกหัวใจมันก็รู้ด้วยกันหมดเที่ยืของพระีเจ้าที่อย่างเดียวก็พระที่เจ้าพระรุธิพานที่ไหนความจริงประกาศปังป้งๆด้วยคําสอนของโบงทุกบททุกบาทโดยทางศรัทธาธรรมมีช่องว่างเมื่อไหร่นีศ่ศาสนาจะอยู่ในมืดในแจ้งนี้ ปีเดือนที่ไหนจันทรดาไม่ใช่เป็นมืดเป็นแจ้งเป็นประอิตย์พระจันเป็นดินน้ำลงไฟเป็นสถานที่นั้นที่มีอะไรคือความจริงประกาศสอนอยู่นี่ตัวพราธรามตัวพาะธรรมตามแล้วชอบชอบไว้เพราชอบตามความเป็นจริงไม่โกหกโลกเนี่ยมีที่เหลือมันเที่ยวโกหโลกลบล้างความจริงอย่างธรรมทั้งหลายอยู่บนหัวใจเราทุกทุกนามยไม่รู้มันเท่านรเนี่นยถ้ารู้เลยจะสงสัยพระเจ้าที่ไหน แล้วก็เคารพตนเองเนีคารพทำที่มีในตนเองก็เท่ากับเคารพตนเองเหยียบย่าทำลายทำที่มีในตัวเองก็เท่ากับเหยียบย่ําทำลายตัวเองจนแนวความจริ ง, งคือสัสดาองค์เอกเนี่ยไปไหนมนอยู่แบบนี้อาการดีโกอกาเยอะกายอาการละเอาาีดกายกรรมอยู่ในใจนี้ตลอดเวลาปัญหาที่ไนดูนี่ที่เดีย ม, มันอ่อนตัวเมื่อไหร่มันไม่เคยให้น้ำที่เดีย การประกอบความเพียรคอยแตจะล่มไดายหรือว่าเป็นการให้น้าเป็นการพักผ่อนมันพักผ่อนอะไรไมันล่มได้ายต่างหากเราไม่รู้ไม่ทันกลนงมันนเมื่อมันถึงระยะที่ทันนันมันงจะรู้ว่าอะไรให้น้ําอะไรไม่ให้น้ําำทํากับอาคาลิโกมีอาการให้น้ํำอะไรมีอยู่ประจําตลอดเวลาเนี่ยจะให้น้ํำที่ไหนพักที่ไหนหายทูนไปที่ไหน ยิ่งเรียน ม, มันมีน้หายสูญไปถ้าเราไม่ฆ่าไม่จําละมันไม่ปราบมันมันเหจนหายสิญไปไห น, ม, น ม, มันก็เป็นอการดิการเหมือนกันการดิโกสิ่งที่ไม่มีเวลาต่อต่อไม่มเวลาด้วยกันต่อสู้กันทําไมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้พระเจ้าเป็นศาสดาได้ยังไงถ้าสาวกเป็นศสัตเป็นสาวกอรหันหันด้วยความรู้สึกใจเพราะการจําละได้ยังไงเราต้องคิดด้วย วัดไหนกรรมฐานวัดไหนกันแน่นแน่นเหมือนกันนะมากทั้นั้นอยู่น้องแซงท่ามุมเพลยน้องกล่องมาดทันแบนลืมจเกี่องคะวัดทันแบนผมในถานไม่ถามไม่รู้เย ยีก่กิบน่งมงนเงินก็ไม่น้อย ก, กันไมกันมากมากานะวัานไหนวัดน้นนงโบานมีมากไหมน่าจะไม่มากวัดอุ่นพุมพรใครสร้างไหมมีประมาณไห่สี่ สิบสี่มันก็ไม่น่าจะมากนะเพราบครูอาจารย์ถ้าจร่วงโคลงใส่ันก็ล่วงไปแล้วครูอาจารย์เป็นสำคัญมากทีเดียวต้นศาสนาขับพพุทธเจ้าทรงเป็นประธานนั่นหลักใหญ่สำคัญมากคนหน้าที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่นั้นมาก็ภาษาบก ซึ่งเป็นปุ้น์แม่นยำด้วยในการดำเนินและการแนะนำต่างสอนกรองบุคคลพระพเจ้าที่ไหนที่ไหนก็มีท่านนี้ที่เป็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ความแน่นอนให้ความตายใจเกียบรรดาพระที่เขาไปศึกษึกตาเอามด้วย ภาษาแล้วนี้เขาเรียกว่าอุ้าฟ้าขัางคือมีหลักมีเจนฑอบกุนต่โยกจะคลอนจะแน่นหนามันคงขึ้นอยู่กับหัวหน้าเป็นสำคัญมากนสมัยปัจจุบันแม่ครูอาจารย์มั่นเราแม่ครูอาจารย์เสาพอล่วง ม, มาแล้วก็ยังมีครูมีอาจารย์สึบทอดกันมาเรื่อยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ หนมาช่วงนี้คุรู้สึกว่าเขี่ยมเต็มทีเกือบเกือจะไม่มีนั่นะชาว้านเมีประชาชนกระหะดืดกร่อนผู้ที่เคยมีหลักมีเก ม, มีความเคมีความอุ่นมาแล้วหากความอุ่นทำไมจะไม่วุ่นวายหัวใจต้องวุ่นเล่นเสียแต่ตอนั้นเห็น หลังหมีมันดำหมดทั้งตัวมันก็ไม่รู้บาปรู้บุนมันไม่เดือดร้อนเลยตามภาษาของหลังหมีนั่นเนี่คือมันดำไปหมดทั้งตัวเมื่อมีอะไรเขาขาวพอด่างๆ ด, ดาวๆบ้างคนอรเพทนั่นไห่นะเข้ามาในมันทีเกิดบาปบุญไม่มีแต่หาบาะบาปหากรรมวริอดเวลาบูตเจ้าผู้ประเสริเจอจริงๆริ เัน ไ, ไม่เชื่อเพก็เร็วจริงๆนั่นเรไม่เชื่อพุทธะแล้วเร็วจริงๆพราะพุทธานี่เลิกจริงๆโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเสษสันตัญญาอะไรเลยเลดดิกโดยหลักธรรมชาติมาเรื่องใครควรเนี่ย